ต้องมีหมายเหตุไว้ด้วยว่าธรรมทานนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์อย่างที่กล่าวแล้วว่าเป็นทานขั้นสูงสุดดังนั้นถ้าแน่ใจซะหน่อยว่าธรรมที่ให้เป็นทานนั้นถูกตรงคือดาเนินไปตามรอยบาทแห่งพระพุทธองค์ก็เป็นความอุ่นใจว่าทานของเราจะงอกงามเป็นผลไัยบู์อีกประการหนึ่งควรสำรวจใจดีๆว่าธรรมทานที่เราทำไปนั้นเพราะอยากให้เขาเกิดปัญญา หรือเพราะอยากให้เขารู้ว่าเรารู้หรือเพียงเพราะอยากจะสั่งสอนเนบแนมเพื่ออัตตาหรือว่าสัใจของตนเจตนาเป็นสิ่งที่ต้องสํารวจดีๆจนทราบเพราะกิเลสมักเอามานแห่งความหวังดีมากั้นไว้บทบังไว้ซึ่งเจตนาทุจริตที่เร้นซ่อนอยู่เบื้องหลังธรรมทานที่จัดเป็นธรรมทานแท้จริงต้องมาจากจิตที่เมตตาคิดปรารถนาดี ต่อผู้รับอย่างบริสุทธิ์ใจเท่านั้นการมีศีลบกพร่องสำหรับกายกับเวทนานั้นแม้คนทุศีลก็สามารถทราบได้ตามจริงเป็นบางส่วนเช่นรู้ว่าขณะนี้กำลังหายใจออกหรือหายใจเข้าหรือบอกถูกว่ากำลังมีความสุขหรืออมทุกข์ แต่สภาวะจิตนั้นหากเป็นคนขาดความตรงไปตรงมาบางทีจะมองเห็นอะไรผิดเพี้ยนตั้งแต่ต้นมือได้อย่างเช่นถ้าถามว่าขณะนี้มีราคะหรือไม่มีราคะความเป็นคนจอมปลอมอาจทาให้จิตมองไม่เห็นความจริงเดี๋ยวนั้นเลยทีเดียวคืออาจหลอกได้แม้กระทั่งตนเองบอกตนเองว่าตนไม่ได้เกิดราคะขึ้นมาหรือ อย่างภาวะของโทสะหากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นประจำพูดรดนแรงทําอะไรรนแรงจนติดเป็นนิสัยถาวลแล้วเวลาเกิดหรือไม่เกิดโทสะจะดูยากเพราะกลมกลืนใกล้เคียงกันไปหมดเพราะฉะนั้นเรื่องของศีลเป็นสิ่งสําคัญหากจะพูดอะไรตรงไปตรงมาเห็นอย่างไรพูดอย่างนั้นรู้บอกว่ารู้ไม่รู้บอกว่าไม่รู้ ก็นับว่าเป็นการฝึกนิสัยทางจิตให้เห็นอะไรเที่ยนตรงตามเป็นจริงได้แต่ถ้าเป็นคนที่กลับกรอบปากอย่างใจยางโกหกเป็นงานอดิเรกอย่างนี้จิตก็เหมือนมีมเมฆหมอกนาะทึบดูเท่าไหร่ก็เห็นแต่ผิดเพี้ยนไปเรื่อยแม้ทําสมาธิได้บ้างก็มักเป็นสมาธิในทางที่ผิดจะให้พิจารณาว่าขณะนี้มีโมหะมีความมือ่อมีความหลงหรือไม่นั้น นับว่ายากมากเพราะเมื่อเริ่มจงใจกำหนดรู้ก็จะมีใจหนึ่งมายันตัวเองซะแล้วว่าจะรู้ไปทําไมเห็นแล้วได้ประโยชน์อะไรความเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละจริงที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วมองอีกแง่หนึ่งการบําเพ็ญตนให้อยู่ในกรอบของศีลเป็นการฝึกรู้ราคะโทสะโมหะไปในตัวอยู่แล้วเช่นรู้ว่ากําลังเกิดราคะกล้า เราก็ห้ามตัวเองได้ถูกจังหวะว่าอย่าผิดลูกผิดเมียใครเขาหรือรู้ว่ากำลังมันดาลโทสะยังอยากจะยากที่จะระงับเราจึงห้ามตัวเองได้ถูกจังหวะว่าอย่าดาทออย่าทำร้ายอย่าฆ่าแกงใครหรือรู้ว่ากำลังหลงไปในทางอากุศลเราจึงห้ามตัวเองได้ถูกจังหวะว่าอย่า ก, กินเหล้าเพื่อหวังย้อมอารมณ์ อย่าเสพยาด้วยหวังจะหนีทุกข์เมื่อมาเริ่มจิตตานุปัสสนาอย่างถูกต้องก็จะรู้สึกง่ายคือแทนที่จะเฝ้าดูราคะโทสะแบบป้องกันการละเมิดศีลหยากเหมือนครั้งตั้งใจถือศีลก็ปรับระดับมาดูราคะโทสะโมหะขั้นละเอียดคือมีกิเลสแบบใดผุดขึ้นมาแม้แต่นิดเดียวเราก็รู้ว่าอย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อกิเลส น, น, นั้นหายไป เราก็รู้ว่าอย่างนี้ดับลงการขาดสมาธิจะรู้ภาวะจิตอย่างได้ผล น, นั้นทางที่ดีสภาวะจิตเองควรเด่นขึ้นมาบ้างแล้วใช่ว่ายันถูกกบกลมด้วยความฟุ้งแน่นชนิดมองอะไรไม่เห็นสิ่งอื่นนอกจากเมรหมอกหนาทึบไปหมดผู้ทาอนาปานสติอย่างสม่ำเสมอมีจิตผูกพันกับลมหายใจ สภาพจิตที่มีปกติสะอาดตั้งมั่นดูแลง่ายเหมือนกับพื้นเรียบว่างแข็งแรงเมื่อมีเศษขยะเล็กใหญหล่นลงมาจำนวนน้อยก็เห็นง่ายเห็นทันทีและปัดเป่าสะดวกหรือมีวัตถุหนักตกกระทบกระแทกก็ไม่สะทกสะเทือนหรือถ้าไม่ชำนาญ อ, อนาปานสติแต่ขยันเดินจมกลมรู้เฉพาะเท้ากระทบตึบตึ บ, ตบ ปจนกระทั่งรู้จังหวะที่สะเทือนขึ้นมาถึงกลางอกก็ยอมรู้สึกถึงความมีน้ำหนักกำลังของจิตที่จะอยู่ที่จะรู้ที่จะดูความเปลี่ยนแปลงของสภาพของตนเองหากขาดกำลังอุดหนุนอยู่บ้างนอกจากจะขาดฐานความรู้ที่มั่นคงแล้วยังก่อให้เกิดภาวะเหมือหรือสมออกนอกใช่มากกว่าจะสามารถนาไปใช้งานใดๆโดยเฉพาะในระดับเห็นสภาวะจิต อย่างเช่นเมื่อกำหนดรู้ว่าขณะนี้เกิดโมหะขึ้นในจิตแทนที่จะนิ่งดูตัวโมหะแสดงความไม่เที่ยงก็กลับกลายเป็นกระโจนเข้าไปผสมร่วมกับโมหะนั้นแล้วถูกครอบงมอย่างแกะไม่หลุดทันทีก็เรียกว่าโมหะเล็กๆอาจกลายเป็นโมหะก้อนมื่อหึกมาในที่สุดหากจิตตั้งมั่นมีสติอย่างเป็นธรรมชาติแล้ว การกำหนดรู้สภาวะจิตจะเหมือนคนใจเย็นที่ดูเมฆเคลื่อนไปเองหรือเปลี่ยนรูปไปเองโดยปราศจากเร่งรัดว่าจงเปลี่ยนให้ดูเดี๋ยวนี้ปราศจากความคาดหวังเพราะสะภาพของจิตที่ไร้คลื่นความคิดในหัวนั้นความสงบจากอาการพลานไปในกามก็สําคัญความพลานในกามทําให้เกิดแรงดันให้กระทําตามอยาก เกิดแรงดึงดูดที่จะรีญไปสู่เป้าหมายที่มีกิเลสเรียกร้องโอกาสที่จะกําหนดสติว่าราคาเกิดขึ้นแล้วมีอยู่ในจิตแล้วริบ ป, ปรีแทบจะศูนย์ที่น่าสนใจคือหากไม่อาจประทําจิตให้ตั้งมั่นอย่างมีคุณภาพแล้วจิตตานุปัสสนาก็จะไม่สมบูรณ์ตามแนวที่พระพุทธเจ้าวางไว้เพราะในจิตตานุปัสสนานั้นพระองค์ให้รู้จัก ภาวะสมาธิระดับสูงด้วยทั้งนี้เพื่อให้เห็นครบว่าจิตดีเลวขนาดไหนก็แค่สภาวะหนึ่งในหลายสภาวะเกิดแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาเมื่อเห็นหมดพิจารณารู้ความไม่เที่ยงให้หายสงสัยเส้นเชิงแล้วก็จะเกิดความปล่อยวางจิตได้ทุกแง่มุมอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ยังมีปัญหารวมกระแสจิตที่เป็นสมาธิไม่ได้นั้น ถ้าฝึกรู้จิตให้เป็นตามแนวที่พระผู้มีพระภาคประทานไว้เริ่มจากง่ายๆก็เป็นปลายได้ทีละ จ, จุดที่จะจุดชนวนสมาธิดีๆขึ้นด้วยจิตตานุปัสสนานี่เองเพราะเมื่อส่องรู้เฉพาะจิตจนชำนาญเข้าก็จะมีปัญหาแยกแยะได้ว่าอย่างนี้กิเลสเกิดขึ้นอย่างนี้กิเลสดับลงถ้าสติไม่ถูกชักให้เที่ยวไปทางอื่นใชก่อน อาการเฝ้ารู้อยู่ที่สภาพและความเปลี่ยนแปลงของจิตที่ต่อเนื่องย่อมนำมาซึ้นความตั้งมั่นอย่างเป็นธรรมชาติไปเองเพราะเมื่อเฝ้ารู้ที่อาการของจิตกิเลสที่ไหนจะเกาะจิตได้นานและเมื่อกิเลสเกาะจิตไม่ได้นานความผ่องใสอันเป็นเนื้อแท้ของจิตย่อมปรากฏเป็นธรรมดาขอเพียงตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังต่อเนื่องเท่านั้น การมองไม่เห็นความแตกต่างระหว่างเวทนากับสภาวะจิตทั้งเวทนาและสภาวะจิตต่างก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ได้และก็แสดงความไม่เที่ยงให้เห็นได้เร็วเหมือนนกันขอเพียงเรากำหนดสติรู้อย่างถูกต้องเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งทั้งคู่ต่างก็เป็นนามธรรมไม่มีหน้าตาให้จามีแต่ลักษณะให้กำหนดรู้แต่เวทนาและสภาวะจิต เป็นธรรมชาติที่เราต้องคอยรู้เห็นไม่ค่อยสอดส่องดูดังนั้นเริ่มปฏิบัติแรกๆจะสับสนว่ากําลังดูอะไรกันแน่การทำความเข้าใจให้กระจา่างจะสร้างทัศนวิสัยที่ดีโดยเฉพาะเบื้องต้นนั้นถ้าเห็นอะไรคุมเกรือแทนที่จะปฏิบัติก้าวหน้ากับกลายเป็นหลงไปตามความยุความฟุ้ง และหมอกควันความสงสัยเสยแทนข้อแนะนำต่อไปนี้มีเพื่อให้แยกแยะว่าเวทนาและสภาวะจิตแตกต่างกันอย่างไรศึกษาและฝึกรู้เวทนาอย่างดีสามารถกำหนดบอกตอนเองได้อย่างชัดเจนว่ากำลังสวยเวทนาชนิดใดโดยไม่สับสนและไม่ต้องถามตัวเองว่าสาหรับเราถือว่าเรากาลังสุขหรือ ทุกหรือเฉยเมื่อนามาทำใดกำลังเด่นชัดอยู่ในความรับรู้และไม่เข้าข่ายสุขทุกข์เฉยก็ให้ถือว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เวทนาขอให้ตรหนักด้วยว่าธรรมชาติแล้วเวทนากับสภาวะจิตจะไม่แยกกันเป็นปัญหาเช่นเมื่อใดเกิดสุขเวทนาสภาวะจิตมักจะมีความโน้มเอียงไปในทางติดใจ ย, ยินดีอันเข้าข่ายเนราคะในจิต แต่เมื่อใดทุกเวทนาสภาวะจิตก็มักจะมีความโน้งเอียงไปในทางฟุง้งเพราะรำคาญกายรำคาญใจการรู้เวทนากับการรู้สภาวะจิตจึงอยู่ใกล้ชิดกันอันไหนเด่นก่อนดูอันนั้นก่อนโดยเฉพาะเบื้องแรกนั้นถ้ารู้อะไรไม่ทันจะดูเวทนาอันเป็นผลตกค้างก็ได้ไม่จาเป็นจะต้องตั้งใจไว้ว่าจะรู้ทันกับที่เกิดผัสสะเสมอไป ต่อเมื่อสติกล้าแข็งขึ้นจดจ่ออยู่กับเวทนาและสภาวะจิตกระทั่งเห็นชัดเหมือนตาเห็นรูปจึงมีความเฉียบคมมากพอจะพันนับแต่จังหวะที่เกิดผัสสะไปเองความสับสนระหว่างอทุกขมสุขเวทนากับสภาวะของจิตสิ่งที่ทำความสับสนให้ผู้เริ่มฝึกรู้สภาวะจิตก็คือแยกไม่ออกว่า ระหว่างความรู้สึกเฉยกับสภาวะของจิตในปัจจุบันนั้นเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเพราะถ้าสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเด่นขึ้นมานั้นแม้ไม่กำหนดมากนะักก็เป็นที่รู้ได้เองแต่ถ้าอทุกขมสุขเวทนาเป็นฝ่ายเด่นก็จะทำให้หลังเลได้ง่ายว่ากำลังมองเวทนาหรือสภาวะจิตกันแน่ขอให้ทาใจอย่างนี้ การดูหรือว่าการรู้นมามธรรมนั้นเรามุ่งเอาความเห็นอนิจจังเพื่อความปล่อยวางมากกว่าอย่างอื่นเมื่อทําใจไว้ได้อย่างนี้ขณะ ด, ดูอะไรก็จะไม่ตั้งแง่ ก, กังขาขึ้นมาให้เสียทัศนวิสัยปล่อยเปล่าเมื่อรู้ชัดว่ากําลังสวยเวทนาในทางเฉยให้ดูว่ากําลังรู้ตัวหรือไม่ว่าทําอะไรถ้ารู้เวทนา ว่าเป็นเฉยแล้วแช่จมอยู่กับความเฉยอย่างนั้นขอให้สันธิทานไว้ก่อนว่าเป็นอาหารหลงไปในความเฉยซึ่งความหลงนั้นก็จัดเป็นสภาวะของจิตได้อย่างหนึง่งความเชื่อเกี่ยวกับการเกิดดับเร็วของจิตความเชื่ออันหนึ่งนำมาซึ่งการไม่กล้ากาหนดรู้ของสภาวะจิตกลัวว่าจะผิดหลัก คือคนรุ่นเราถูกปลูกฝังให้เชื่อว่าจิตนั้นเกิดเร็วใชจนไม่มีทางรู้ได้ทันบางแห่งกล่าวว่าชั่วเวลางอนิ้วแล้วดิดออกฉับลันนั้นจิตเกิดดับแสนโกรธขนะหรืออีกในหนึ่งคือดีดนิ้วปะเดียวจิตเกิดดับเป็นล้านล้านดวงซึ่งโดยความหมายที่แท้จริงแล้วคาว่าแสนโกรธเป็นเพียงสันวนสื่อว่ามากยิ่ง ไม่ใช่จำนวนนับสิบล้านคูณด้วยแสงและก็ควรจะจำแยกแยะว่าดีว่าตามบันทึกในพระปิฎกดั้งเดิมนั้นสำนวนนี้พระพุทธองค์ไม่เคยตรัสใช้กับจิตแม้แต่ครั้งเดียวอย่างไรก็ตามมีพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของจิตอยู่จริงคือในอังคุตรนิกาย เอกุกันิบาสพระสุตตันตปิฎกเล่มที่สิบสองความว่าดูกราภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นสภาวะธรรมแม้แต่อย่างเดียวที่เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วเหมือนจิตดูกราภิกษุทั้งหลายจิตเปลี่ยนแปลงได้เร็วปานใดนั้นแม้จะเปรียบเทียบก็ไม่อาจทำได้โดยง่ายพุทธพจน์ที่มุ่งแสดงว่าสภาวะจิตนั้นอาจแปรปลนไป หรือดับจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งรวดเร็วซิจนหาธรรมชาติชนิดอื่นมาเทียบไม่ได้แม้จะเปรียบเทียบให้พอเห็นรังรังก็ยากแล้วแต่พุทธพจน์นี้ไม่ได้มุ่งหมายจะทำให้ผู้ศึกษาเกิดความทอดถอยหรือเห็นว่าสภาวะจิตเป็นสิ่งที่ถูกสังเกตรู้ไม่ได้ไม่มีทางทําได้ทันเพราะในพระสูตรเดียวกันนั่นเองท่านกระตัดไว้ด้วยว่า ก็ทาคตเรียกสิ่งนี้ว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างจิตนั้นเป็นต้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนก็เปรียบเหมือนลิงที่เที่ยวไปในป่าเล็กใหญ่พอจับเก่งไม้ก็ปล่อยกิง่งแล้วก็จับไปอีกเก่งหนึ่งปล่อยอีกเก่งหนึ่งแล้วเปลี่ยนไปจับกิ่งอื่นๆต่อตรงนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อตรัสถึงตัวจริงของจิตจริงๆ พระพุทธองค์ก็บอกตามตรงว่าเกิดดับเร็วจนยากที่จะหาอะไรมาเปรียบแต่เมื่ออุปมาอุปไมให้เห็นตามได้ในทางปฏิบัติท่านก็ยกเอาเรื่องลินปล่อยกินไม้มาก่อจินตภาพซึ่งถ้ามองว่าจิตเปลี่ยนจากสภาวะหนึ่งที่ถูกรู้ได้ก็มีสภาวะอื่นที่ถูกรู้ได้มาแทนที่อย่างนี้ ก็จะเห็นทางปฏิบัติตามจริงง่ายเข้าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นสภาวะจิตมีให้รู้อยู่ตลอดเวลาทำอย่างไรยิงจะสามารถรู้สภาวะจิตได้เท่านั้นผากออกจากจุดเริ่มต้นอันเป็นจุดร่วมเดียวกันได้ถูกที่เหลือก็คือเดินไปเรื่อยๆอย่างตรงทางถึงจุดหมายแน่นอนอุบายเบื้องต้นของพระพุทธองค์คือ ไม่ให้รู้เข้าไปในสภาวะจิตตรงๆก่อนแต่รู้ผ่านสภาพหยับๆบางอย่างที่เกิดขึ้นกับจิตเห็นมันเกิดขึ้นแล้วเหือดหายไปจึงค่อยเริ่มจับได้ดูว่าจิตอยู่ตรงไหนเหมือนกับเราทราบว่ามีกระจกใสอยู่แผ่นหนึ่งมองเห็นตำแหน่งที่ตั้งได้ยากวิธีง่ายๆที่เราจะรู้จักกระจกใสอยู่ที่ใดก็คือปล่อยให้ฝุ่นละออง หรือคราบเปื้อนมาเกาะจนเห็นชัดเสก่อนเมื่อฝุ่นละอองหรือคราบเปื้อนหายไปสิ่งที่เหลือก็คือกระจกใสที่ถูกจับตาสังเกตได้ง่ายขึ้นแล้วการสังเกตขนะของจิตที่อะไรอย่างหนึ่งดับไปนั้นจัดว่าสำคัญยิ่งถือเป็นเกณฑ์หลักของจิตตานุปัสสนาทีเดียวครู่หนึ่งเมื่อราคะหายไปก็รู้จิตโดยความปราศจากราคะ การเห็นจิตที่ว่างจากราคะนั้นนอกจากจะทําให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างสองภาวะได้ชัดแล้วยังเป็นการฝึกรู้ตัวด้วยความสงัดไร้ความคิดอ่านปรุงแต่งเมื่อรู้จักเฉยก็อยู่ที่จิตอันเนียบกริบจนคุ้นแล้วก็จะพบว่าการประจักษ์สภาวะบางอย่างดับลงนั้นเป็นไปได้ชัดเจนโดยไม่มีความรู้สึกในตัวตนเข้ามาขัดขวาง หรือบทบังทัศนวิสัยแต่อย่างใดและเมื่อสามารถกำหนดรู้ที่ตั้งของจิตได้อย่างชำนาญสุดท้ายก็จะเกิดภาวะเด่นชัดเป็นอันเดียวกับความรู้ตัวทั่วพร้อมบางขณะอาจเห็นเป็นความนิ่งว่างตั้งมั่นกลางอกบางขณะอาจเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกายเคลื่อนไหวกับจิตนิ่งหรือระหว่างกายนิ่งกับจิตเคลื่อนไหวหรือกายกับจิตนิ่งและเคลื่อนไหวสัมพันธ์กันโดยตรง สภาพธรรมอย่างหนึ่งก็เหมือนสุญญากาศหรือความว่างภายในปรากฏตามลำดับแรกๆอาจจะแผ่วเหมือนอุปทานต่อมารัศมีความว่างเริ่มแผกว่างและตั้งมั่นโดยโดดเด่นขึ้นจึงกำหนดทราบได้อย่างประศจากความลังเลสงสัยว่านั่นคือสภาวะจิตอีกแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะสักแต่รู้จิตเห็นธรรมต่างๆเกิดดับที่จิตจนจิตเริ่ม ถอนแรงยึดเหนี่ยวจากโลกภายนอกให้ความสําคัญกับความเคลื่อนไหวอันเป็นของหยาบนอกตัวน้อยลงหันมาพิจารณาสภาพของตนเองว่ารู้ทันโลกภายในให้ความสําคัญกับความหยุดนิ่งและเคลื่อนไหวอันเป็นของละเอียดในตัวมากขึ้นถึงจุดหนึ่งก็บังเกิดความตระหนักว่าสิ่งที่เคลื่อนไหวภายนอกล้ว น, นเป็นเปลือกของชีวิต แก่นของชีวิตอยู่ที่จิตขอเพียงสภาวะจิตไม่ผันแปรตามสภาวะภายนอกทั้งโลกก็เหมือนว่างเปล่าไปจิตคำนึงเห็นเฉพาะสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นที่จิตแล้วดับลงที่จิตจนกระทั่งจิตเองก็หาแก่นสารนี้ได้ไม่น่าหวงไม่น่าติดข้องเพียงอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนานก็จะพลิกจากความไม่รู้พลิกจากความหลงว่าเป็นจิตเรา เป็นความรู้แจ้งสภาวะจิตหนึ่งเกิดขึ้นด้วยเหตุและย่อมดับลงเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแปรปรวนไปไม่ได้เมื่อเลิกยึดมั่นถือมั่นว่าจิตความรู้สึกนึกคิดเป็นตัวตนก็ไม่เหลือสิ่งใดให้ยึดได้อีกโดยสัญชาตญาณแล้วก็ย่อมหลงยึดจิตนี้เป็นอัตตาเหนือสิ่งอื่นใดสรุปก็คือในเบื้องต้นเริ่มฝึกจิตตานุปัสนานั้น ขอให้ท่องจำกดไว้ให้แม่นๆสข้อคือ 1. ลืมความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับจิตที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสามัญสำนึกทฤษฎีหน้าเชื่อถือเพียงใดเหลือเฉพาะข้อสังเกตสภาพจิตตามที่ระบุไว้ในจิตตานุปัสสนาเท่านั้นข้อ 2. ออย่าถามหาว่าจิตอยู่ตรงไหนและรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ให้รู้สภาพธรรมที่เกิดกับจิต หรือสภาวะจิตกําลังปรากฏชัดเมื่อเห็นสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นดับลงกับจิต บ, บ่อยๆก็จะค่อยๆรับรู้มิติของนามธรรมอันปราศจากรูปทรงไปเองข้อสอย่าให้เกิดความจงใจทําสภาวะจิตปัจจุบันให้เปลี่ยนแปลงไปสังเกตและระวังอย่าให้เกิดความคุ้นคิดเกี่ยวกับสภาวะจิตมันฝึกรู้เข้าไปในสภาวะจิตตรงๆ โดยใช้เกณฑ์ของพระพุทธเจ้าเป็นทิศทางเช่นถามตัวเองว่าขณะนี้กำลังมีราคะอยู่ที่จิตหรือไม่ขณะนี้จิตอยู่ในสภาพฟุ้งซ่านสั้สายหรือไม่เป็นต้นเมื่อตระหนักว่าจิตกำลังอยู่ในสภาพใดก็ให้รู้ตามนั้นเฉยเฉยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคาดหวังว่าจะเห็นความเกิดดับหรือสภาพพิ่สดานกว่ากาลังเป็นอยู่สิ่งที่เราต้องการใน ช่วงเริ่มต้นจริงๆนั้นง่ายนิดเดียวคือการเปรียบเทียบจิตระหว่างสภาวะหนึ่งยังคงอยู่กับขณะที่สภาวะนั้นๆหายไปแล้วพระพุทธองค์ให้เริ่มรู้สภาวะจิตผ่านกิเลสอย่าคือราคะโทสะโมหะเพราะกิเลสสามตัวนี้เป็นของประจำโลกและแวกเวียนมาเยี่ยมเราอยู่เสมอเรียกว่าเป็นอุปกรณ์สามัญที่ทุกคนมีอยู่แล้วโดยไม่ต้องขนไควซื้อหามาแต่ที่ไหน อีกทั้งเป็นเรื่องสามัญสำนึกของแต่ละคนทราบได้ใจว่าราคะโทสะโมหะเป็นอย่างไรเพียงทำความตกลงกันไว้ง่ายๆก็สามารถปฏิบัติได้ทันทีในติกนิบาตทุติยปัญนาตพระสุตธันตปิฎกเล่มที่สิบสองพระพุทธองค์ตรัสถึงความต่างระหว่างราคะโทสะโมหะไว้อย่างน่าสนใจ คือราคะมีโทษน้อยแต่กลายช้าโทษสมีโทษมากกลายเร็วส่วนโมหะนั้นทั้งมีโทษมากและกลายช้าด้วยเมื่อทราบเช่นนี้ย่อมมีทาทีที่ถูกต้องต่อการพินิษเช่นอย่าหวังว่าราคะเกิดขึ้นแล้วจะแสดงความดับลงอย่างรวดเร็วทันใจเป็นต้นการกาหนดรู้ราคะจิตลักษณะของราคะราคะแปลว่าความกหนัง ความยินดีในการความติดใจหรือความย้อนติดในอารมณ์ดังนั้นลักษณะทั่วไปของราคะจึงเป็นอาการดึงดูดเข้าหาตัวเรียกว่าถ้าติดใจอยู่กับสิ่งใดจะเป็นบุคคลหรือวัตถุ ก, ก็ตามย่อมเข้าข่ายความเป็นราคะทั้งสิน้นแม้แต่ความติดใจในสภาพสมาธิจิตระดับสูงก็จัดเป็นราคะชนิดหนึ่งมันหยาดเรียกโดยเฉพาะว่ารูปราคะบ้าง รูปราคะบ้างและแต่ชานนั้นนั้นต้องอาศัยรูปหรือไม่สิ่งที่ทำให้เกิดราคะขึ้นในจิตนั้นอาจเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งระหว่างรูปเสียงเปลี่ยนรสสัมผัสอันเป็นปัจจุบันแล้วก็อาจจะเป็นการไ้ร่ครวนคำนึงถึงสิ่งเหล่านั้นที่ผ่านมาแล้วหรือว่ากำลังจะเกิดขึ้นลักษณะอันปรากฏชัดขณะเกิดราคะหนานแน่นคือความอยาก ทลาเข้าไปหาวัตถุหรือบุคคลอันเป็นต้นเหตุแห่งความยิงดีแบบที่เรียกกันว่าหน้ามืดซึ่งก็คือจิตทิ่งหมนมืดเพราะถูกราคาครอบงำบดบังแสงจากปัญญาไว้คิดอะไรดีๆไม่ออกลักษณะอันปรากฏเพียงเรือนรางขณะเกิดราคาอย่างอ่อนก็คือทำให้มองไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นแต่ ความดูดีหน้ามีหน้าเสษอาจเป็นเพียงความอยากเห็นอยากพูดคุยกับคนที่ถูกใจหรืออาจจะเป็นความอยากเข้าสมาธิด้วยประสงค์เสพสุขอันเกิดแต่วิเวกก็ได้เมื่อสังเกตรักแรกก็จะเห็นเหมือนวัตถุมีแรงกระทำต่อจิตหรือมีแรงดึงดูดระหว่างจิตกับวัตถุแต่ต่อมาก็แยกแยะได้เองว่าจิตเองก็เป็นฝ่ายก่อแรงกระทา หรือแรงดึงดูดขึ้นโดยมีความถูกใจเป็นตัวแปรหลักสุขเวทนามักจะเป็นต้นเหตุของราคะแต่ก็ต้องแยกแยะให้ออกด้วยความเข้าใจอันดีว่าสุขเวทนาไม่ใช่ราคาละลักษณะของราคะคือกระแสะความอยากดึงดูดบางสิ่งเข้าหาตัวสังเกตง่ายที่ใจมีความอยากเกิดแรงดึงดูดและความคิดฟุ้งแน่วไปเอาสิ่งที่ต้องการถ่ายเดียว ผู้ผ่านเข้าฝึกรู้สุกขเวทนาอย่างดีย่อมไม่สับสนว่าตนกำลังสุขเวทนาเกิดดับหรือว่าดูราค่าเกิดดับกันแน่ ที่กำหนดรู้พระพุทธองค์ให้แนววิธีรู้ไว้คือเมื่อจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะเมื่อจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าปราศจากราคะท่านเริ่มต้นควรแยกแยะให้ออกว่าระดับของราคะนั้นแรงอยู่ในระดับลามถึงกายแล้วหรือว่ายังแผ่วอ่อนเพียงเป็นความรู้สึกทางใจหากเป็นความกำนัดอินดีทางเพศ ท, ที่ลามถึงกาย ก็เห็นว่ายากต่อการกำหนดรู้สติว่าจิตมีราคาเพราะเอาแต่จดจ่อกับวัตถุทางกรรมร์แบบง่ามือตามัวเว้นแต่ผู้มีทุนรอนคืออสุภกรรมฐานอยู่ก่อนหน้าจึงจะเหมือนมีอาวุธไว้ใช้งานทันท่วงทีโดยเฉพาะผู้ที่เป็นพระก็ต้องรักษาวินัยไว้ยิ่งกว่าชีวิตนั้นไม่พึงทำจิตานุปัสสนาเมื่อเกิดราคะกล้า แต่ควรใช้อุบายทางสมถะตรงๆมซะก่อนจะเป็นการหลบเข้าสมาธิระดับฌานอันเป็นสมบัติเฉพาะตนแล้วหรือจะเป็นการที่จารณากายว่าโสโครคตั้งแต่หัวจลดเท้าก็ได้การเริ่มฝึกกำหนดรู้ราคะจิตนั้นควรดูจังหวะที่ราคะเกิดขึ้นในระดับของจิตยังไม่ลามถึงกายอย่างเช่นหวนระลึกถึงกรมคุณในอดีต หรือเพิ่มเกิดความต้องการทางเพศเพีย้ยนแปลวหรือเกิดความต้องตาต้องหูต้องจมูกต้องลิ้นต้องกายหรือต้องใจที่ทําให้จิตมีอาการถลำเข้าไปหลงติดเช่นดูละคปโปรดมีราคะฟังเสียงเพลงมีราคะฉีดน้ำหอมมีราคะกินของอร่อยจานปโปรดก็มีราคะนอนฟูกนิ่มหมอนหอมมีราคะ แม้แต่คิดถึงลักษณะนิสัยใจคอคำพูดคำจาอนาพิวาสวั์ของเพศตรงข้ามก็มีราคาได้ทั้งสิ้นอย่าเข้าใจว่าต้องให้เกิดความปรารถนาที่จะเสพกามใช่ก่อนจึงถือว่าจิตมีราคา